ค, ครับท่านฟังคะเป็นเวลาของรายการสันสีสนทนานะคะที่ท่านกําลังฟังอยู่ในขณะ น, นี้เราพบกันเพื่อให้ท่านทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสเข้าถึงสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสสอนถ้าติดตามกันต่อไปเรื่อยเรื่อยดิฉันเชื่อว่าเราจะเริ่มมีความรู้สึกว่าบนโลกใบ น, นี้น่ารู้อยู่อย่างเดียวคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละคะ่ะและดิฉันเชื่อว่าเรียนพูดไม่ผิดนะคะไม่เชื่อท่านกล็ลองฟังต่อไปเรื่อยเรื่อยและนําออกไปพิสูจน์ด้วย เพราะธรรมะของพระพุทธองค์นั้นเป็นเรื่องที่ท่านไม่ได้ปิดกั้นว่าจงเชื่อนะต้องเชื่ออย่างเดียวนะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ไปกราบเรียนถามพระจันเพบูรณ์อภิปุโนโจากวัดป่าดอนหายโศอุดรธานีนะคะนมัส ก, การกับท่านคะเชิดพานค่ะนี่ก็เป็นโ่คเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะที่ทีฉันกล่าวไว้ตอนต้อนรับท่านนั้นจริงหรือไม่คะอันนี้ก็เป็นจริงแน่นอนทำไมอย่างนั้น เพราะว่าพุทธเจ้าเนี่ยมีความรู้ความเรียนมากนะคุณยมติวไม่ใช่ว่าเรียนมาแค่ชาตินี้ชาติเดียวนะหรือว่าคําความเพียรมาแค่6ปีนะแต่ถ้ามันนานมากเลยเรื่องนี้จะสอดคล้องกับที่เราจะพูดถึงพุทธเชียนตีด้วยว่าบทเพียรชนะที่จะมาสันเสริญพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุเจ้าบอกว่าคําแรกเลยที่ขึ้นต้นเนี่ยเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้น <Okay. S 1> พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจึงเป็นพระอรหันตรัสรูชอบโดยโดยพระองค์องเอง ไอ้ Walking, คำว่าเพระเหตุอย่างนี้อย่างนี้มันคือเหตุอย่างไหนอย่างไหนโอ้ยก็ร่ายยาวเลยชาติที่ก่อนเป็นอะไรทําอะไรมาบ้ามีความเพี่ยนยังไงไอ้พวกเนี้คือเหตุอย่าง น, างนี้อย่างนี้นะซึ่งไม่ธรรมดานะค่ะอืเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้เราจึงต้องเราจึงต้องมีความมั่นใจไงเป็นบทเพยญชนะว่าจึงต้องมีความมั่นใจในพระเจ้าหรอคะต้องมีศรัทธาศรัทธามีศรัทธานะคะแล้วก็ยืนยันว่าเพราะเหตุใด จึงต้องศรัทธาด้วยคุณสมบัติต่างๆท่านคะทีนี้ดิฉันบอกว่าเมื่อมีความรู้เรื่องนี้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเป็นความรู้ที่น่ารู้มากที่สุดในโลกความรู้ของท่านครอบคลุมไปในทุกศาสตร์เข้าใจอย่างนี้ถูกไหมคะจะบอกอย่างนั้นก็คืออย่างนี้ดีกว่าว่าปริชาเนี่ยรู้ความรู้ของปริชาเนี่ยเท่ากับใบประตูบนต้นทั้งหมด แต่ที่เอามาสอนเนี่ยคือเท่ากับมือหนึ่งเพราะฉะนั้นเออเรื่องที่ไม่ไดเอามาสอนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่พระองค์รู้นะอเพราะฉะนั้นถ้าทุกรู้ทุกศาสตร์เนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่เอามาสอนทุกศาสตร์ก็ได้ค่ ะ, ะดูเหมือ น, นว่าท่านก็สอนแต่เรื่องให้เราพ้นทุกข์ใช่แค่นั้นเองค่ะทีนี้วันนี้นอกเหนือจากเรื่องของพุทธชยันตีซึ่งที่ฉันอยากจะยืนยันนะคะว่ามันก็เป็นปีที่มีความหมายนะคะในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่า เป็นปีที่2องพันหร้อขนาดคนเราเกิดมาปีหนึ่งยังเฉลิมฉลองกันใหญ่โตถ้าเป็นลูกคนมีตังค์หม่อนนะคะหรือว่าครบรอบเฉลิมฉลองกันนั่นเป็นธรรมดาธรรมดาแต่นี่เป็นถึงพระาศาสดาเราเป็นผู้ที่ศรัทธาในพระาศาสดาเราก็ต้องระลึกถึงท่านให้ถูกคือระลึกถึงอะไรคะท่านคะเอ่อระลึกถึงคนงามความดีไงนะคะก่อนที่พระาจ้าทำความดีมายัางไงเรา ก, ก็ระลึกถึงตรงนั้นค่ะนั่นคือสิ่งที่ท่านเพริูนพยายามชี้ให้เห็น ในในความเป็นพระพุทธเจ้าว่าทรงมีคุณงามความดีอย่างไรบ้างทีนี้มาถึงเรื่องสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนและดิฉันว่าเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกๆคนเลยนั่นก็คือเรื่องของธาตุต่างๆดินน้ําไฟลมอะค่ะเดินบาลค่ะในภาษาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เรียกธาตุเหล่านี้ว่าอะไรและมีความสําคัญอย่างไรคะเออธาต หมายถึงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมใช่ไหมคะอือเออพริเชา้ารวมเรียกสี่ธาตุนี้ว่าเป็นรูปนะรูปเนี่ยแปลว่าสิ่งที่แตกสลายได้มีความเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยความหนาวความร้อนเป็นต้นคือสมมุติว่าถ้าเราเอาโลกนี้เนี่ยนะเอามาแบ่งส่วนที่มีความแตกสลายได้เนี่ยเอามากองๆมารวมกันเนี่ยสิ่งนั้นจะจะเรียกว่ารูปค่ะซึ่งในที่นี้เราก็พบว่าสิ่งนั้นก็คือมีแค่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแค่นี้อค่ะ แล้วในในทาตรงนี้เนี่ยถ้าเราเห็นด้วยตามความเป็นจริงนะแม้เราจะพน้นทุกข์ได้ทันทีคือคือความทุกข์คือคือรูปเนี่ยนะพระเจ้าใช้คําว่าเป็นความทุกข์นะคือกันตั้งห้าเนี่ยเป็นของที่เราจะต้องมารอบรู้นะ่ยไม่ใช่ของที่เราจะต้องละนะค่ะเป็นของที่เราต้องรอบรู้ออรอบรู้กับละเนี่ยเป็นยังไงเราก็จะต้องมาทําความเข้าใจว่าคือบางคน ส่วนใหญ่จะชอบความสุขใช่ไหมไม่ชอบความทุกข์ใช่ไหมเราก็อยากจะมีความสุขแต่ไม่อยากมีความทุกข์แต่หา<ะ>รู้ไม่ว่าไอสิ่งที่เราจะต้องละเนี่ยคือความอยากต่างหากคือถ้าเราจะมีแต่ยอยากกับอยากเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรามีความอยากเราจะไม่พ้นทุกข์ได้นะเรามีความอยากในรูปเมีไม่มีความอยากในสิ่งที่เป็นทุกข์อันนี้คือจะเป็นเหตุที่ทําให้คุณทุกข์แต่<ะ>ถ้าเรามาเข้าใจความทุกข์อย่างถูกต้องอันนี้จะทําให้คุณไปถึงสุขที่แท้จริงได้ ทีนี้พูดถึงรูปท่านบอกว่ารูปทั้งหลายนี่เป็นทุกข์ใช่พระอริยบพแล้วก็กเป็นสิ่งที่จะต้องรอบรู้ถูกต้องก็จะขออนุญาตทำความรอบรู้ในเรื่องของรูปให้เต็มที่ในช่วงเวลาของวันนี้ที่ท่านบอกว่ามีดินน้ำไฟลมเนี่ยนะคะใช่ถ้าพูดถึงธาตุดินเป็นอย่างไรนะคะธาตุดินนี่ก็คือของที่แข็งแข็งมีสภาพเข่นเข่นแข็ง เช่ชนว่าอมมติเราจับปากกานี่มันแข็งใช่ไหมอันนี้ก็คือธาตุดินอ่จับท้องเรามันแข็งก็คือธาตุดินนะอวัยวะอะไรที่มีลักษณะแข็งนั้นคือธาตุดินทั้งหมดเลยค่ะของแข็งแข็งแล้วนุ่มๆได้ไหมได้ได้นั่นก็ก็เป็นของที่จับต้องได้แข็งเอคือไอ้ของ<ม>ที่มีมวลให้จับอย่างนั้นหร อ, อใช่ใช่มีมวลให้จับอย่างถ้าอากาศนี่ก็มีมวลนะหมายถึงว่าของแข็งที่ ที่แข็งอย่างเช่นพระเจ้ายกตัวอย่างอยู่แต่เช่นผมคนเล็บฟันนังเนื้อเอ็นกระดูกพวกนี้เป็นของแข็งทั้งหมดเป็นเป็นเป็นธาตุดินคือธาตุดินดนี่ไม่ใช่ว่ามีส่วนประกอบของธาตุดินล้วนๆร้อย น, น, นะคุณยมติยวแต่ว่ามีส่วนประกอบของธาตุดินมากกว่าธาตุอื่นไงอย่างสมมติตับของเราเนี้ยตับเรามันนุ่มๆ น, นะนเราเขว้ามาแล้วก็จะมีเอามีน้ำไหลออกมาด้วยแล้วมันก็มีส่วนประกอบของธาตุน้ําด้วยแต่มันมีธาตุดินมากกว่าคนอื่นมากกว่าธาตุอื่นในก้อนของมัน ไม่มีอะไรอยู่อิสระจากกันเพียงแต่ว่าถ้ามีอย่างนี้มากกว่าก็จะเทน้ำหนักไปเรียกว่าเป็นอย่างนี้เช่นถ้ามีความแข็งมากกว่าก็จะเรียกว่าเป็นธาตุดินดินใช่ค่ะทีนี้มาถึงธาตุน้ำอะไอางน้ําำคือของที่ไหลไปไหลามาได้เป็นของเหลวที่พัดไหลไปไหลามาได้อะไรมีคุณสมบัติอย่างนี้นั่นรวมเรียกว่าธาตุน้ำทั้งหมดคะเช่น เรียกว่าน้ำเลือดน้ำเสดดน้ำเหลืองน้ำหนองพวกนี้เป็นธาตุน้าทั้งหมดค่ะก็มีน้ํามากากว่าใช่และถ้าหากว่าจะมาหาของแข็งที่อยู่ในนั้นจริงๆเช่นเลือดเนี่ยถ้าตกตะกอนเราก็จะเห็นเลยนะคะว่ามันมีก้อนๆอยู่ใช่เป็นสเก็ษเป็นเกล็ดๆอยู่นะค่ะนี่ก็คือธาตุน้ำธาตุน้ําอาโปธาตุใชคะธาตุดินเขาเรียกว่าปฐวีธาตุปฐวีธาตุนะทีนี้มาถึงธาตุลมค่ะท่านคะดินน้ําไฟลม จริงๆผู้จเจ้าเรียงลำดับว่าดินน้ําไฟลมนะไม่ใช่ดินน้าลมไฟเอ่าก็ทําไมถึงเรียงงั้นไอ้ก็ถ้ามาดูเราจะพบว่าความละเอียดของธาตุลมเนี่ยละเอียดกว่าธาตุไฟคือไล่ไปตามความหยาบความละเอียดเริ่มจากหยาบใช่ไหมก็คือธาตุดินละเอียดขึ้นมาอก็ธาตุน้ําธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมอ๋อค่ะไล่ตามความละเอียดนะคะอันอันนี้เป็นข้อสังเกตของอาตมานะอ๋ะอค่ะ คิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเรามาดูธาตุไฟกับธาตุลมในายละเอียดของกันเราเฉพาะว่าธาตุลมเนี่ยละเอียดกว่าธาตุไฟเพราะว่าเวลาเรามีไฟใช่ไหมเราจุดไฟไเนี่ยลมมันไหวๆไวไวไวไวตัวอยู่แต่ถ้ามีธาตุลมเนี่ยเราไม่เห็นความอะไรของมันเลยค่ะก็เป็นข้อสังเกตที่ท่านไปบูนแปลกใจเหมือนกันใช่ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมไฟมาอยู่ก่อนลมสมัยเด็กๆเราก็มาเรียนมาว่าดินน้ําลมไฟดินน้ําลมไฟพูดมาติดปากใช่ไหม แต่<ช>พอม า, มาเจอในหนังสือเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าพูดดินน้ำไฟลมในขณะทีฉันก็เห็นแต่คนส่วนใหญ่เนียาจะพูดถึงดินน้ำลมไฟมมมแล้วมันสําคัญมากไหมคะการที่เราจะต้องเรียงลําดับตามพระพุทธเจ้าเอก็จะทําให้การกําหนดบทเพลชนะของเราเนียบมากขึ้นน่นแหละอืมค่ะทีนี้มาถึงธาตุไฟแล้วล่ะคะ่ะท่านคะธาตุไฟคือของที่มีลักษณะของความร้อนนะความเย็นหรือความร้อนพวกนี้เป็นธาตุไฟทั้งหมด เช่นไฟยังกาให้อบอุ่นไฟยังกาให้สุบโซมเอไฟที่เผาอาหารที่กินแล้วดื่มแล้วเคี่ยวแล้วลิ้มแล้วให้ย่อยได้อย่างเงี้ยนี่คือธาตุไฟทั้งหมดซึ่งเราจะแก่เราจะหนุ่มเนี่ยก็เพราะธาตุไฟนะถ้าธาตุไฟร้อนเกินเราก็แก่เร็วอืถ้าธาตุไฟเย็นเกินเราก็จะย่อยอาหารไม่ได้ค่ะมันก็จ ะ, ะ, ะต้องค่อยๆปรับไปนิดนึงเพราะฉะนั้นอตอนแรกท่านเลยนึกว่าฟังประโยคแรกผมถ้าธาตุไฟเยอะไป จะแก่เร็วทีนี้เราดับไปหมดเลยไฟทุกกองไม่ยุ่งกับมันเลยกลัวหันไปหาของเย็นๆอย่างเดียวแต่ไม่ใช่เย็นก็เป็นโทษเหมือนกันเย็นก็เป็นโทษคืออาหารมันจะดำเนินไปไม่ได้มันจะเนื่ดมันจะเป็นท้องผูกอะไรประเภทนี้ยมอเจะทราบดีอยู่คุณสมบัติของธาตุลมตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ท่านพอจะบอกพวกเราได้อหมธาตุลมเนี่ยเป็นของที่พัดไปพัดมาของอที่มีลักษณะพัดไปพัดมาเช่น ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลมเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมเล่นไปตามตัวลมเล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่เงี้ยเป็นธาตุลมทั้งสิ้นลมหายใจของเราอลมหายใจเข้าลมหายใจออกด้วยเป็นธาตุลมเหมือนกันค่ะทั้งหมดนี้ก็คือสี่ธาตุที่ที่เป็นธาตุที่อยู่ในโลกหรือว่าอยู่ในมนุษย์อย่างเดียวอยู่ในโลกนี้เลยโลกธาตุนี้แหละมีแค่ห้าอย่างนี้ในธรรมชาติประกอบไปด้วยธาตุห้าอย่าง ที่เรียกว่ามหาภูตธาตุสี่อ่ะสี่อย่างใช่ค่ะมหาภูตธาตุสี่อย่า ง, งเมื่อธาตุทั้งสี่เกิดขึ้นมัน huh. หมายถึงอะไรนะะถ้าสีมันก็มีอยู่ตามเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะเราตัางหาที่ต้องเห็นธาตุทั้งสี่นั้นตามความที่เป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็น น, นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราทีานี้ธาตุที่ทําไมบางคนถึงบอกว่าธาตุทั้งห้าบ้างธาตุทั้งหบ้างอย่างเงี้ยนะค่ะนั่นก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าบางในยักเขาพูดถึงธาตุทั้งห้านะอันที่ห้าเนี่ก็คือ อากาศทาตุเหมือนกันแล้วอันที่6ก็คือวิญญาณธาตุอากาศทาตุเป็นยังไงอากาศทาตุก็คื อ, อช่องว่างนะที่มีอยู่ที่อาหารที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วริมแล้วผ่านไปแล้วก็ไม่มีเนื้อหรือเลือดขังอยู่อันนั้นก็คือเรียกว่าอากาศธาตุอย่างช่อง <c oughs> ท้องอย่างเงี้ยช่องหูช่องจ ม, มูกพวกนี้เป็นอากาศธาตุหมด <c oughs> เป็นสิ่งที่ร่างกายเราฟอร์มเข้าไปอยู่เอง อย่างบางคนเป็นมะเร็งในช่องท้องนะคุณโยมติว๋วคือช่องท้องเขาเนี่ยแบบปันป่วนไปหมดเลยทั้งที่มันไม่มีอวัยวะอะไรให้ไปไปกัดไปกินนะแต่อะไรที่มันอยู่ติด ก, กับช่องท้องมันโดนหมด น, นึกออกไหมหมายความว่าเป็นลมเหรอคะเป็นมะเร็งอะคนที่เป็นมะเร็ง<อ>มะเร็งในช่องท้องก็มีน ะ, ะนลักษณะนี้<อ>คื อ, ค, อคืออะไรที่มันเป็นที่ว่างๆอันเนื้อและเลือดไม่ได้ข้างตั้งอยู่อย่างเงี้ยก็ก็จะเป็นผู้ที่มีธาตุมีอากศาศธาตุ เท่ากับว่าทว่ากันตามบทพยัญชนะของพระพุทธเจ้าคําว่าธาตุลมที่วายโยธาดกับอากาศธาตุนี่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน อ, อ๋อเดี๋ยวฉันนึกว่าอันนี้หยิบยกมาพูดในกรณีที่ปรากฏในเรื่องของอะไรที่มันจะมีที่ว่างๆอยู่แต่ว่าปากติแล้วอากาศเป็นธาตุลมอยู่แล้วแต่นี้ความรู้นะคำเหมือนกับว่าเรนกาลังจะพยายามหาข้อสุขให้กับท่านฟังว่าที่สนทนาเรื่องนี้เนี่ยท่านได้อะไรไปนะคะก็คืออย่างน้อยท่านได้รู้ว่า โลกเนี่ยมันประกอบไปด้วยธาตุอะไรบนโลกธกาตุใบนี้นะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยดาก็จะเป็นคนที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่นี้ด้วยเหมือนกันแล้วท่านบอกอใช่ไหมคะว่าธาตุทั้งสี่นี่คือทุกข์ใช่ต้องต้องเห็นมันในลักษณะยังไงนะคะื่อสักครู่ต้องกำหนดรู้คือรับรู้เรื่องทุกข์นั่นเองอโดยการที่เรารู้เรื่องทุกข์ในในแยะของเดยสสี่เช่นว่าเหตุของรูปคืออะไร นเหของรูปคือปัสสาวะผลของรูปคืออะไรผลของรูปก็คือการที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปได้นี่คือความทุกข์ของเขาแล้วเราจะทําให้เขาดับไปได้ยังไงจะแก้ไขยังไงก็คือเดินตามบริมารมีองปจะแก้ไขได้ดิฉันเห็นหัวข้อว่าความลับของธาตุสีธาตุสีนี่มีความลับด้วยเหรอคะแล้วเป็นความลับอย่างไรคะผู้ชมพูดเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่ า, ารู้ว่าธาตุสีเนี่ย มันแตกสลายไปได้นี่คือความลับของธาตุสีนะธาตุสี น, น้ำไฟลมนี่แหละคือเหมือนกับว่าเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันแตกสลายไปได้อย่างแน่นอนอืมคือบางทีมันเห็นยากคุณยมติวยางภูเขาอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นหลายหลายร้อยปีกว่ามันจะมันจะมันจะมีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยอ่แต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงได้นะถ้าเราเห็นดีๆดูดีดีด ก็คือว่าถ้าเราดูจากตัวเราในหลายๆอย่างเนี่ยสมมุติว่าดูเป็นรูปที่เป็นธาตุดินที่ท่านว่าเนี่ยนะคะ<ช>ว่ามีไอของแข็งของเราอย่างเช่นผมเนี่ยก็ถือเป็นธาตุดินถูกไหมคะใช่เล็บนี่ก็เป็นธาตุดินไอ น, นี่เห็นง่ายมากนะคะว่ามันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวพอมันยาวออกมาแล้วมันถ้าผมในร่วงไปเลยอืมนี่ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงถูกไหมคะใช่ฮะนี่ถือเป็นความลับไหมคะ ก็คือใครที่เห็นอย่างนี้คือบางคนเขาอาจจะเห็นด้วยตานะแต่เขาก็ยังไปยึดถือไอ้ที่เห็นนั้นอีกพยายามไปหาอะไรมาทามาแต่งอะไรต่างตาแต่ที่เราต้องการคือเห็นด้วยใจเห็นด้วยตาที่สามคือตาใจนั่นเองและดิฉันเข้าใจว่าที่ดิฉันกลังกราบเรียนท่านอยู่เนี่ยในส่วนของตัวเองก็ยังถือว่ายังไม่ถึงขนาดเห็นด้วยตาใจนะคะคือก็ยังเห็นภายนอกแต่รู้ธรร ม, มะก็เลยเอาเข้าไปจับได้ การจะเห็นด้วยตาใจเนี่ยหมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าเราน้อมเข้ามาสู่ตนเองแต่ว่าธาตุสี่ในกายของเราเนี่ยก็มีความเป็นอย่างนี้เหมือนกันไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้ซึ่งจะรู้ได้ด้วยวิธีอย่างที่ที่ฉันบอกว่าที่ฉันเข้าใจว่าที่ฉันเป็นอย่างนั้นไหมคือเห็นมันอยู่แบบธรมธรมดาธรรมดาแล้วก็เข้าใจธรรมะแล้อาไปจับไม่ได้เห็นด้วยการตรหนักรู้ใช่ใช่มันมันเกิดขึ้นได้ทุกโอกาสเลยค่ะแต่ถ้าเกิดขึ้น ในอีกลักษณะหนึ่งที่ว่าไม่ใช่เป็นความรู้ทั่วๆไปอย่างที่ใครๆก็รู้นั่นจะถึงว่าถือว่าเราก็พัฒนาไปเข้าใจในเรื่องของธรรมวิจยะอย่างนั้นเลยใช่ใชถูกนะต้องแล้วพอใครคธรรมวิจยะตรงนี้แล้วนะคุณชื่อว่าจอดสู่ประตูแห่งนิพพานล ะ, ะเป็นโชชงละ น, นะคะเนี่ย<ม>คือความลับต้องเห็นภาพทั้งหลายนั้นว่ามันเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงอค่ะนะคะวันนี้ คงจะได้เท่านี้ก่อนนะคะท่านเพริบเราก็จะกลับมาพบกับท่านเพริบุญอีกในวันพรุ่งนี้ในมห ก, การขอบพระคุณคะ่ะท่านฝั่งคะและนี่ก็เป็นพระเ พ, พิบุญญาพิบุญโนซึ่งขณะนี้ตัวท่านเนี่ยอยู่ที่นอร์เวย์นะคะกับท่านเจ้าวาดหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดค่ะรายการของเราบันทึกเทปล่วงหน้าก็าเลยทําให้ความสม่ําเสมอ น, นั้นปรากฏต้องมส ก, การขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าท่านก็ต้องมาเหน็ดเหนื่อยในการทํางานล่วงหน้าในเวลาที่จํากัดรายการของเราคะ่ะ ขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยมีความรู้แล้วอย่ามีความรู้เปล่านะคะชีวิตของท่านจะพบกับความสวัสดีเมื่อท่านนำเอาพุทธวจะนะไปใช้พุทธวสวัสดีค่ะ